ยรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสำคัญมากเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะปฏิบัติธรรมถ้าไม่รู้สึกตัวปฏิบัติธรรมไม่ได้ใจมันหนีไปปฏิบัติธรรมจริงๆนะมันคือการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของจิตถ้าจิตมันหนีไปมันก็เหมือนเด็กหนีโรงเรียนให้จิตใจอยู่กับเนื้อกัตัวซะก่อนไม่งั้นภาวนาไม่ได้จริงหรอก เส้นทางเดินนี่บางทีก็หลอกเราเยอะนะมนปนผิดกันได้เยอะแยะอักแรกรถต้องรู้สึกตัวให้ได้ถ้าใจลอยภาวนามไม่ได้ทำสมถะยังไม่ได้เลยใจลอยมันรู้สึกตัวยากคนในโลกนะเพราะว่าใจมันเคยชินที่จะหลงใจมันเคยชินที่จะออกนอก จะให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ง่ายหรอกนะวิธีที่จะรู้ทันนะ ต, ต้องฝึกให้รู้ทันเวลาจิตมันหนีไปนั้นเบื้องต้นนาะจะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้นะเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ไม่ยัว่วกิเลสสบายๆจิตใจมีความสุข ใครมีความสุขจะพุโทโธก็พุโทโธใครมีความสุขที่จะรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจนะใครดูท้องพองยุบแล้วสบายใจก็ดูท้องพองยุบแต่ทําด้วยความรู้สึกตัวอย่าให้เผลอไปอย่าเพ่งเอาไว้อย่าเผลอไปสิ่งที่ผิดมีสองอันเท่านั้นแต่ว่าคลองโลกเลยเผลอกับเพง่งใจจะเผลอเผลอเผลอลืมตัวเองไปเรื่อย อย่างนั้นก็นั่งเพ่งเอาไว้นิ่งเผลอก็ไม่ได้รู้สึกตัวเพ่งก็ไม่ได้รู้สึกตัวเผลอย่อนเกินไปเพ่งตึงเกินไปเผลอเป็นการมปนสุขาริการุโยกเพ่งเป็นอัตตะกิลมัฐานิโยกเป็นความสุดโตสองฝั่งตรงกลางที่ไม่เผลอไม่เพ่งก็คือรูนะ้ยามรู้ตัวรู้สึกตัวเรื่อย พุทโธไปก็ได้ใจหนีไปคิดรู้ท <defender less. S 1> ันหายใจไปใจหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพ่องยุบใจหนีไปคิดรู้ทันอันนี้มันเผลอไปพุทโธแล้วก็ไปบังคับจิตให้นิ่งให้รู้ทันอันนี้เพ่งไปหายใจแล้วจิตไปเกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจไปเกาะอยู่ที่ท้องอันนี้ก็ตึงเกินไปให้รู้ทันเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอันนี้ก็ตึงเกินไป เดินจงกรมนะเพ่กงกายทั้งกายเห็นร่างกายเดินนะแต่เดินดูแบบเคร่งเครียดเนี่ยรู้สึกทั้งตัวรู้สึกทั้งตัวอันนี้ตึงเกินไปไปเพ่งไว้ที่เท้าอันเดียวก็ตึงเกินไปเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็ตึงเกินไปใจมันตึงเครียดเดินจงกรมจิตหนีไปคิดอันนี้หย่อนเกินไปให้คอยรู้ทัน จิตหย่อนเกินไปให้รู้ทันจิตตึงเกินไปให้รู้ทันนะแล้วตรงไหนที่พอดีตรงที่รู้ทันไงง่ายนิดเดียวใช่ไหมไม่ได้บอกว่าห้ามตึงห้ามหย่อนนะบอกตึงไปก็รู้ทันหย่อนไปก็รู้ทันแล้วตรงไหนพอดีตรงที่รู้ทันนะั่นแหละพอดีแต่รู้ทันขนาดแรกนะ่ะพอดีถัดจากนั้นอยากจะแทรกความอยากจะเข้ามาแทรก เช่นไปเห็นว่ามันตึงเกินไปนะตรงที่รู้ว่าตึงนะตรงนี้ไม่ตึงแต่อาศัยสัญญาจำว่าเมื่อกี้มันตึงนะงเลยนึกว่ายังตึงอยู่อยากหายอยากจะหายความอยากแทรกหรือใจลอยไปอยากจะไม่ใจลอยในความอยากแทรกไปหลงยินดีหลงยินร้ายกับสภาวะที่เกิดขึ้นจิตเผลอไป ก็ยินร้ายไปเพ่งไว้ก็ยินร้ายะจะเอารู้มันไม่รู้หรอกมันมัวแต่หลงไปยินร้ายหลงไปอยากใครภาวนาด้วยความอยากเห็นไหมมีไหมทุกคนแหละอย่าทำมาไม่ยกมือเลย <c oughs> มีอยากแล้วจะภาวนาทำไมอะเมืองตนมันก็ต้องอยากไว้กอนแหละ แต่ก็คอยรู้ทันเนาะใจจะคลายความอยากนะเราไปก็รู้สบายรู้พอดีตรงที่รู้ทันนั่นแหละพอดีหลังจากรู้ทันนะชอบเติมความอยากลงไปก็ให้รู้ทันอีกก็จะกลับมาพอดีอีกบางคนก็ขยับมือใจหนีไปที่อื่นหยับไปนั <c> ่น <oughs> <c oughs> ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ถ้าเราใจลอยมาแต่ทั้งชาติเวลาลงมือปฏิบัติก็เพ่งเอาเวลาไม่ปฏิบัติก็ใจลอยจิตคุ้นเคยกับความสุดโต่งสองฝั่งนี้แหละจิตไม่ค่อยคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวต้องฝึกต้องหัดไปใจลอยแล้วรู้เพ่งอยู่แล้วรู้รู้ไปเรื่อยโตที่รู้แลาพอดีแล้วพอรู้บ่อยๆนะั้นในส่วนมันจับสภาวะรู้ได้จาได้โอ้รู้อย่างนี้ง่ายๆไม่ได้ทำอะไร พอรู้เป็นแ้คร น, นง่ายแล้การปฏิบัติไม่ยากแล้วกลับมาที่กายที่ใจได้แล้วนะรู้ตัวเนี่ยจิตไม่เปลอไม่เพง่งรู้สึกตัวอยู่ไม่ลืมกายไม่ลืมใจไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจจริงๆ่็รู้อยู่เฉยๆรู้อยู่เฉยๆไม่ได้เรื่องหรอกนะพอรู้ตัวได้อย่าอยู่เฉยนะรู้ตัวแล้วมันมีแต่ความสุขความสบายจะได้เรื่องอะไรมันก็สบายอยู่แค่นั้นของดีกว่านี้ยังมีอีก ความสุขมากกว่า น, นี้ยังมีอีกนี่โฆษณามีจริงๆนะไม่ได้หลอกหรอกเนี่ยจะว่าโฆษณาชวนเชื่อเรียกว่าโฆษณาชวนให้ทาต่อชวนให้เดินต่อพอรู้ตัวแล้วอย่าอยู่เฉยแยกธาตุแยกขันไปเรื่อยเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูหันแยกไปเห็นความสุขความทุกข์ทางกาย ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแอบมาอยู่ในร่างกายแต่ไม่ใช่ร่างกายเป็นโคราอนกับร่างกายความสุขความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นก็เห็นอีกความสุขความทุกข์ทางใจเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่ใจไม่ใช่จิตหรอกนะเป็นเจตสิกนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาทางใจกุศลอกุศลเกิดขึ้นที่จิตดูลงไปอีกนี่ก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาไม่ใช่จิตหรอกนี่หัดแยกไปเรื่อย การแยกธาตุแยกขันธ์นะเบื้องต้นแนะนํานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแต่ไม่ได้ทําเพื่อความสงบอีกต่อไปแล้วนะตอนที่จะหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้นั่งให้สงบนิ่งไปหรือนั่งรู้ตัวสว่างว่างบางคนไปพอใจนะได้ยินหลวงปู่ดุลสอนอว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่แหละภาวะแห่งการรู้ พอรู้สึกตัวขึ้นมาก็คิดว่าเข้าถึงภาวะแห่งการรู้แล้วก็อยู่ตรงนี้เลยคนละอันกันนะรู้ที่พวกเรารู้กับรู้ที่พระอราหันต์ท่านบรรลุถึงแล้วเป็นคนละอันกันนะพอเราเข้ามาถึงตัวรู้เราก็รู้สึกตรงนี้แหละว่างสว่างบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์หรอกนั่งทับอุดจาระอยู่ไม่เห็นนะอวิชชาซ่อนอยู่ไม่เห็นหมดความปรุงแต่งจริงหรือไม่หมด ความว่างนี้แหละเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่มหาสุญญาตาจริงว่างอย่างนี้ยังแปรปรวนยังเป็นว่างที่คู่กับวุ่นวายงั้นไม่ใช่รู้ตัวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอยู่กับภาวะแห่งการรู้นิรันดรนว่างสว่างพ้นกิเลสไม่พ้นหรอกนะยังคนละเรื่องกันเลยเป็นแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นเองต้องมาแยกธาตุแยกขันธ วิธีแยกทาดแยกขันธะนั <Yeah. S 2> ่งสมาธิหรือเดินจงกรมไปก็ได้แต่ไม่ได้เพื่อสงบไม่ใช่เพื่อว่างแต่เพื่อจะให้ค่อยๆสังเกตไปร่างกายที่นั่งอยู่นี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่เดินอยู่นี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่ยืนนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่นอนยกเว้นสะเหอะนะอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งฟอร์มตรงนี้เลยเดี๋ยวมันเห็นร่างกายนอนจิตเป็นเอกกตา วูบเดียวสว่างเลยนี่อากาลิโกไม่มีเวลาหมดไปแปดชั่วโมงนะไม่ได้เรื่องหรอกนะอยากนั่งก็นั่งนะออยากเดินเดินอยากยืนยืนอยากนอนก็นั่งอนอะนเว้นไว้สักอิริยาบถหนึง่งยกเว้นเจ็บป่วยไม่ไหวจริงๆจําเป็นต้องสู้เอาในอิริยาบถนอนนะแต่พอชำนี้ชํานาญแล้วทําได้ทุกอิริยาบถ นอนอยู่ก็ไม่ขาดสตินะจนกระทั่งร่างกายหลับไปแล้วจิตยังเด่นดวงอยู่งั้นเลยเห็นร่างกายนอนนอนกลนใครเคยเห็นตัวเองนอนกลนบ้าง mm. มีเยอะเหมือนกันใครเคยเห็นคนอื่นนอนกลนบ้างเ <c oughs> <c oughs> ยอะแยะเลยตอนนี้ <c oughs> แต่เห็นตัวเองนอนกลนได้นะ mm. สติมันดีแล้วฝึกมากๆนั่งไปหรือเดินไปนะแล้วก็เห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดู คนไหนชอบลมหายใจก็เห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตเราเป็นคนดูนี่ฝึกอย่างนี้ข้อแยกกายแยกจิตไปด้วยนั่งนานเดินนานมันปวดมันเมื่อยเห็นอีกร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยในร่างกายเป็นอีกส่วนหนึ่งนะร่างกายมันเดินอยู่นี่แหละหรือมันนั่งอยู่นี่แหละเดิมมันไม่ปวดมันปวดขึ้นมาแล้วมันเมื่อยขึ้นมาแล้ว เห็นความปวยความเมื่อยกับร่างกายเป็นคนร่านกันจิตก็เป็นคนดูเป็นอีกการหนึ่งเป็นคนดูอยู่นั่นแหละมันปวดมากๆนะร่างกายมันปวดมากๆมันปวดอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่ร่างกายมันปวดมันปวดอยู่ที่ร่างกายมากๆนะความกระวนกระวายมันมาเกิดที่จิตสังเกตไหมเวลานั่งสมาธิพอปวดมากๆใจกระวนกรนะวาย ร่างกายมันปวดอยู่ที่ร่างกายแต่ความกระวนกระวายมาอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นความกระวนกระวายกับความเจ็บปวดก็คนละอันกันความกระวนกระวายของจิตไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนาคือความปวดเมื่อยทั้งหลายแล้วก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันเป็นขันอีกขันหนึ่งชื่อสังขารขันเนี่ยค่อยหัดไปนะ นั่งไปเดินไปก็ได้แล้วค่อยๆแยกขันกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตจิตคือวิญญาณขันสัญญาขันหายไปไหนเอาไว้ก่อนมันเพี้ยนเนี๋ยยุ่งกับมันยุ่งกับมันเดี๋ยวเพี้ยนมากกว่าเก่านะไม่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับสัญญาสัญญาไปยุ่งกับมันนะเดี๋ยวเพี้ยนนะเพี้ยนง่ายมีบางคนพยายามแก้ไขสัญญา เห็นโต๊ะเรียกเก้าอี้เห็นเก้าอี้เรียกจานข้าวอะไรเงี้ยสุดท้ายบ้าพูดกับใครไม่รู้เรื่องเลยตัวเองก็งงแล้วว่าไอ้นี่มันคือเก้าอี้หรือจานข้าวนะวันนี้ตักข้าวใส่เก้าอี้กินอร่อยอร่อยเอาเสียมนะเอาเสียมตักข้าวใส่ปากเรียกปากว่าตาเสียมตักข้าวยัดข้าวลูกกับตาอะไรเงี้ยสุดท้ายบ้าอยู่ยุ่งกับมันสัญญานะ ดูร่างกายส่วนร่างกายเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตนะเห็นจิตก็จะเห็นธรรมเพราะอะไรในธรรมานุ ป, ปัสสนาสังเกตไหมนิวรนอยู่ในธรรมานี้ปัสสนานิวณนก็เกิดกับจิตนะขันห้าขันห้าก็อายตนะหเนี่ยมีจิตดวงเดียวก็มีขันห้ามีจิตดวงเดียวมีอายตนะหกนะอริยสัตว์ก็แสดงตัวอยู่กับจิต ถ้าเวลาแจ้งอริยสัจขั้นสุดท้ายแจ้งลงที่จิตนะในสติปัฏฐานมีเรื่องกายดูรูปมีเวทนาเห็นไหมจิตตานุปัสสนานั้นอ่ะดูจิตตสังขารดูสังขารจิตเป็นดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็รู้จิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็รู้อันี้ดูสังขารธรรมานุปัสสนานั้นนั้นจะแนบเพรามาอยู่ที่จิต อริยสัจก็แสดงตัวอยู่ที่จิตนิวรณ์แสดงอยู่ที่จิตขันยัตตนะอะไรพวกนีนะ้ออกไปจากจิตทั้งหมดเลยเป็นเรื่องแปลกไหมว่าขันห้เป็นกริยาของจิตขันห้เป็นแสงของจิตนะออกไปจากจิตมีจิตดวงเดียวนะเป็นสร้างขันห้ได้หมดเลยเมื่อเรียนรู้นะรู้ลงไปแยกขันไปสัญญาเว้นไว้ก่อน ภาวนาเรียนรู้ความจริงของรูปของเวทนาของสังขารของจิตนะเรียนรู้ความจริงแล้วจะทำลายสัญญาที่เพี้ยนเพี้ยนไดนะ้สัญญาที่เพี้ยนเพียนจะถูกทำลายไปนะสัญญาเพี้ยนเนี่ยมเพี้ยนได้4แบบเห็นของไม่สวยว่าสวยนะสะอาดสะอ้านนะเห็นของสกปรกว่าสะอาดนะ เห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตนถูกปลกฝังมาอย่างนี้นานแล้ววันนี้เทศยากไปเป่าใครจะฟังให้ง่ายเนี่ยพรุ่งนี้ไปฟังสาราลุงชินยังง่ายกว่านี้ที่นี่คนเก่งๆเยอะพราะพอนายเก่งๆมามากแต่เทศมันมันยากไปเองนะมรละเอียดขึ้นไปเองไม่ได้เจตนา สันแกล้งผู้มาทีหลังหรอมาที่หลังอ่านแด่เธอผู้มาใหม่ไวนะ้ยังมีพิมพ์แจกเปล่ามไม่ได้แจกแล้วนะที่นี่พวกเก่าๆแล้วแด่เธอผู้เก่าซ้ำซากอย่านงะ <laughs> เงี้ยในต้องแต่งอีกเล่มแด่เธอผู้ภาวนาเก่าซ้ำซาก <laughs> ทำไมไม่ก้าวหน้า <laughs> ไม่ก้าวหน้านะ อันแรกเลยก็คือไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องทำทำหยุดหยุดนั่นแหละอีกงานสมาธิไม่ค่อยพอฟุ้งซ่านซะเยอะวันวันหนึน่งนั้นทําในรูปแบบเพิ่มสมาธิขึ้นถ้าเราทําทุกวันทุกวันนะความต่อเนื่องมันก็มีงั้นทําในรูปแบบสําคัญนะจะแก้จุดอ่อนของคารวะได้อย่างดีเลยคารวะจุดอ่อนสําคัญเลยไม่ต่อเนื่องกับสมาธิไม่พองั้นทำในรูปแบบไว อ้าต่อไปใครคิดว่าตนเองจําเป็นจะส่งกันบ้านขอจําเป็นนะบางคนมาทีไรยกมือทุกทีเลยแนละ้วหลวงพ่อไม่เห็นว่าจําเป็นหรอกอยากพูดเท่านั้นเองให้รู้ทันใจที่อยากนะมันโลภมันเบียดเบียนคนอื่นเขาบางคนถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกถามแล้วไม่ค่อยทํานะยิ่งน่าเกลียดใหญ่เลยเอา้าวใครจําเป็นเชิญผู้อยู่วัดก่อน่ เมื่การหลวงพ่อนะคะหนูมาส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งสุดท้ายที่ประมาณปลายเดือนธันวาอทีนี้ก็หลวงพ่อให้ไปดูตัวสมาธิที่เป็นลัคนูประิชา น, นะคะให้ดูตรงนี้บ่อยๆ อ, อืการแล้วก็สอนสภาวะให้ดูก็จากนั้นมาหนูก็ไปฝึกตัวนี้บ่อยอขึ้นก็คิดว่าจากสำรวจตัวเองคิดว่าจิตมันตั้งมั่นแล้วก็ ถึงฐานบ้างอะค่ะก็ต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยยังแยกสมาธิอารัมพันูกับรักขณูยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แยกได้นะดีมากเลยไม่งั้นเอาจิตที่ไม่เหมาะนะสมาธิที่ไม่เหมาะไปเดินปัญญาไม่ได้กินเอะได้แต่คิดเอาก็สํารวจตัวเองว่าจิตถึงฐานไหมขณะนี้ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยเข้าฐานเท่าไหร่เออนะเมื่อไม่เข้าฐานก็ไม่ใช่รักขณูผนิชานเราไม่ตั้งมั่น ขณะนี้ไม่ตั้งมั่นขณะนี้ฟุ้งซ่านไหมก็ฟุ้งซ่านที่จะพูดขณะนี้จิตมัวไหมหรือสว่างไม่มัวค่ะไม่ค่อยมัวเท่าไหร่ไม่ค่อยมัวเท่าไหร่ถูกถ้าลงฟุ้งซ่านยังไงก็มัวนี่รู้ลงไปนะจิตเมื่อจิตมัวเป็นตระกูลโมหะความฟุ้งซ่านนี่แหละตัวโมหะเรียนรู้ไปเรียนรู้สภาวะไม่บังคับสภาวะนะ ดูไปยังอยากได้ผลได้เ mm มื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละหลวงพ่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่ายังอยากได้อยู่ตอนนี้มันคลายบ้างหรือยังค่ะเรารู้ตัวเองไหมก็พอทราบค่ะว่ามันก็คลายลงแล้วก็ใช้ว่าอุบายว่าทําเพื่อถวายบูชาพระพุทธเจ้าแล้วคุณครูบาอาจารย์ก็ดีขึ้นดีขึ้นก็ยังอยากนะแต่ไม่เท่าเก่าหรอกแล้วก็เดี๋ยวนิดนึค่ะพอดีไปภาวนาอย่าเอ่ยชื่อนะ อดี๋ยประกาศก่อนเวลาส่งกันบ้านอย่าบอกว่าไปเรียนมาจากใครนะไปเรียนมาจากไหนอะไรเงี้ยหลวงพ่อจะไม่ตอบแล้วต่อไปตอบแล้วมัน ม, มีปัญหาอย่างเรียนมาแล้วเราบอกว่าผิดเนี่ยพูดได้ไงหรือเรียนมาผิดแล้วเราจะบอกว่าผิดก็พูดไม่ได้นะ อ, อ, อ, อ้๊มอมอออก็คิดว่าถูกเนะี่ยก็ยิ่งแย่ใหญ่นะคื อ, อ, อไปจิตก็ไปเห็นแบบสังขารที่อยู่ตรงกลางหน้าอกอะค่ะ ตัวมาเป็นก้อนใหญ่แล้วมันก็เหนียวเหนียวมากเลยแล้วก็เหนียวเหนียวเหนียวคำว่าปูถุชนเนี่ยเหนียวทีนี้เราใช้สติไปจับตรงเนี้ยให้มันแบบให้ใช้กำลังอะค่ะให้มันแบบแตกขึ้นมาอย่าไปทำหลวงพ่อโดนหลวงปู่ดดนดูมาแล้วทาอยู่สามเดือนในสุดจิตอะไรเข้ามากระทบเนี่ยแตกหมดเลยแล้วเด่นดวงอยู่นี้ทั้งวันเลยหลวงปู่ดูลบอกไม่ได้ดูจิตหรอก เนี่ยไปแทรกแซงจิตนะให้รู้ว่ามันเป็นก้อนขึ้นมาให้รู้ว่าจิตเข้าไปจับให้รู้ว่าอยากหลุดออกมาให้รู้อย่างนี้นะอยากเข้าไปแก้มันค่ะไม่งั้นเสียหายหลวงพ่อถูกดุมาแล้วละ่ะบทเรียนที่หนึ่งเลยที่หลวงปูดด่โดนดุเอาครั้งแรกเลยแล้วครั้งเดียวในชีวิตที่ถูกดุทีนี้มันเห็นแบบลักษณะว่ามันแบบขึ้นมาลักษณะมันก็ปองอากาศฟู่ขึ้นมาใช่ใช่ มันเป็นเป็นอนุใสหรือเปล่าฮะที่มันแตกตัวขึ้มามันสังขารแล้ว ม, นะมันสังขารแะ้วมันสังขารลนะรรรเอียดแนละ้แต่ยังไม่มีสัญญาเข้าไปแปรนะถ้าอยากขึ้นมาสัญญาจะไปแปรเว้ยตัวนี้โทสะตัวนี้ราคะอะไรเงี้ย น, นะเป็นสังขารละเอียดเวลาพอนาพอถึงขั้นละเอียดนะเหลืออยู่แค่นั้นแหละแล้วไม่ค่อยฟูแล้วต่อไปแค่ไหวยิบยับยิบยับยิบยับนาะละเอียดก็อีกอย่าอย่าไปยุ่งกับมันแค่รู้ เราภาพพอเห็นตัวนี้แล้วต่อมาสงสัยอีกเราจะดูตัวผู้รู้นี่หลวงปู่ดุลย์บอกให้ดูจิตก็น่าจะดูผู้รู้หรือจะดูสังขารที่ปรุงเนี่ยพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกไอ้ตัวนี้ตัวทุกน่ารู้นะความจริงท่านพูดถูกทั้งคู่เลยจริงๆไม่ได้ดูตัวไหนหรอกไม่เอาสักตวงแต่ว่าตัวไหนเด่นขึ้นมาก็รู้ตัวนั้นแหละไม่จงใจไปจับตัวผู้รู้ก็ผิดนะจงใจไปถลําไปจ้องอยู่ที่ตัวสังขารกลางหน้าอกนี่ก็ผิดอีก ดูห่างๆดูสบายๆดีภาวนาอย่างนี้ใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวอีกคําถามหนึ่งค่ะเวลาทีนี้มันเราส่วนมากจะถ้ามีโอกาสจะไปหาที่วิเวกดูตัวเองนะคะแล้วทีนี้มันจิตมันรวมเข้ามานะฮะมันก็เห็นความเกิดดับอเห็นความเกิดดับปุ๊บเนี่ยแต่มันไม่อย่างรู้ละฮะก็คือมันมันขันติกับอุเบกขามันไม่พอมันก็มันถึงตรงนั้นเราไปไปตีข้าทำไม่ได้ ห้ามไม่ได้หรอกให้รู้ทันว่าจิตตรุงแนนะําย่งไงว้ห้ามไม่ได้ก็ดูไปจิตเขายังทํางานยังปรุงต่ออยู่รู้แล้วไม่จบลงที่รู้รู้แล้วปรุงต่อแต่ไม่ใช่รู้แล้วบังคับให้จบลงที่รู้เขาปรุงขึ้มารู้ทันนะดีไปทําต่อนะคขอบพระคุณค่ะอย่าไปเรียนอะไรแปลกๆนะเดินอยู่ในหลักที่ดีแล้วล่ะทําอีก แต่ว่าใจต้องถึงฐานจริงๆให้ใจกระจายกว้างออกนอกมีแต่ความสุขย้อนกลับมาถ้ามันมีความสุขวันนี้ก็สุขพรุ่งนี้ก็สุขอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ยังสุขเดือนหนึ่งก็ยังสุขอีกย้อนกลับมาดูล่างกายไ้เลยะะแสดงว่าใจหลงออกไปอยู่ในความว่างๆข้างนอกแล้วออกนอกอ่ะต่อไปมัดการจ้ะค่ะไม่สบายคือจะรายงานผลการปฏิบัติช่วงเนี้ย การปฏิบัติของตัวเองที่ผ่านมานะคะคือปกติแล้วจะปฏิบัติในชีวิตประจําวันคือเริ่มตั้งแต่ตื่นแล้วก็คือเดินแล้วก็รู้สึกตัวไปเดินไปล้างชามก็จะรู้สึกตัวแล้วก็ออไปคิดทำอะไรก็รู้สึกนะคจิตนี้ไม่คิดก็รู้ไปทําอะไรก็รู้พอเหนื่อยกวาดบ้านถูบ้านก็นั่ง นั <N 67> <N 67> <N ่งพักก็จะดูลมหายใจอจนมาวันหนึ่งก็ก็ปฏิบัติอย่างนี้พอพอเดินพอดีมีความทุกข์เข้ามานะคะพอเดินความความทุกข์ก็ดับความคิดก็ดับพอเดินไปล้างชามความทุกข์ที่ที่มาก็ดับความคิดก็ดับอื แม้กับเดินไปนั่งก็พออยู่ที่ลมหายใจความทุกข์ก็ดับความคิดก็ดับอีกก็เออพอปฏิบัติแล้วความทุกข์มันสั้นลงจริงๆจนแล้วก็แม้แต่ความไม่สบายนะคะมไม่สบายมีความดันสูงไปหามหมอพอดีเป็นช่วงสูงมากก็ หน้ามืดแล้วก็ตาลายจะลม้มก็จำคำพูดของหลวงพ่อที่ว่าจะเป็นไรก็ช่างจะตายก็ไม่ว่าให้รู้ด้วยความเป็นกลางโออต้องอย่างนั้นสิก็รู้อยู่ที่ความไม่เป็นาไม่ค่อยตา ย, ตายหรอกอย่างนั้นอ่ะ <laughs> ก็รู้ที่ความไม่เป็นกลางพอความไม่เป็นกลางดับลงก็เริ่มสบายขึ้นแล้วก็ดูอยู่ตรงนั้นแล้วก็พอเริ่มสบายเราก็มาดูที่ลมเพื่อให้สบาย แล้วอาการต่างๆก็หายไปหมดแต่ความดันยังสูงเหมือนเดิมแกติดใจออตอนนั้นไม่ได้เป็นอะไรร่างกายก็ให้หมอมรักษา่ะแบ่งงานกันทำเราก็รักษาจิตของเราเองฝึกไปอีกใจอยากพูดรู้ไหม <c oughs> ถึนเต้นมากพอะแล้วค่ะอ่ะต่อไปอ่ โมหะค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าแล้วมันก็พอรู้ว่ามีโมหะไม่ชอบมันจะกดแล้วมันจะจ้าออมันจะเป็นอยู่อย่างนี้นให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางะนะรู้ตัวนี้แหล ะ, ะต่อไปหลวงพ่อเจ้าคะถ้าเมื่อคืนหนูลองใช้แบบพัดนะคะขยับข้อมือเป็นวิหารธรรม ทีนี้ถ้าเราหลับตาไปด้วยมันจะรู้สึกว่าความรู้สึกมันจะเห็นชัดกว่าอนใหม่เงี้ยหลวงพ่อไม่ได้ยินอ่ะค่ะท่ค่ะเอ่อถ้าสมมติเราขยับข้อมือเนี่ยค่ะแล้วเราหลับตาเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันจะความรู้สึกมันจะชัดกว่าทีนี้มันเกิดดวงสว่างขึ้นมาได้สมาธิทีนี้เราควรจะดูที่ข้อมือคือคือหมายถึงรู้สึกที่ข้อมือหรือว่าดูที่รู้สึกดูที่ดวงสว่างแทนคะคือ <c oughs> ถ้าจะเอาสมะถะนะค่ะ <c oughs> ดูที่ดวงสว่าง เอาแสงสว่างเนี่ยแสงสว่างนี่เรียกว่าอุคคหานิมิตค่ะดูดวงนี้แทนจะได้สมาธิค่ะแต่ถ้าเจริญปัญญานี่ยไม่เอาเลยทั้งสองอันเห็นแค่ร่างกายข้อมือเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ใจเป็นคนดูอยู่ก็มันก็จะสลับไปสลับมาได้สลับได้อ๋อค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าหลวงพ่อว่าไหวยิบยิบเนี่ยค่ะการไหวยิบยิบเนี่จําเป็นต้องเห็นแต่ข้างในหรือว่ารู้สึกมันเห็นด้านหน้าค่ะือ มันเห็นอยู่ทางตาอย่างเงี้ยค่ะไอ้นั้นตามันไหวยิบยิบแล้วเหรอคะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าเราไปเพ่งอากาศใช่ไหมคะหรือว่าใจลรย ถ, ถ้าไปเพ่งสาอากาศนะเห็นเป็นเม็ดเมดยิบยิบเลยน ะ, ะเหรอค่ะจีบนอกนะอกค่ะหลวงพ่อหนูยังมีอะไรที่มีปัญหาหรือติดขัดไหมคะควรจะแก้ไขอะค่ะจิตขนาดนี้เป็นธรรมชาติไหมไม่ค่อยธรรมชาติคะ่ะดีแล้วล่ ะ, ละรู้ทันนะใช้ได้แล้วไม่ติดค่ะแล้วก็ หนูมีอะไรที่ควรจะไปทําเพิ่มไหมคะอย่าให้ผิดธรรมชาตินะตอนนี้มันผิดอยู่มันไม่เป็นกลางอ่ะให้ไปรู้ทันนะค่ะไปรู้ทันอราเราไปทําอะไรเติมมาเดี๋ยวมันผิดเยอะตอนนี้เติมอะไรไหมคะตอนนี้เราไปกวาดบ้านไปทํางานไปอะไรเงี้ยอย่าอยู่เฉยโอ้ถ้าทําแล้วมันหลงเลยอ่ะแล้วค่ะถ้าทํางานปุ๊บหลงหมดเลยทั้งวันแล้วทำไงถึงจะไม่หลง ต้องนั่งเฉยๆอ่ะว้าค่ะแล้วหลวงพ่อให้หนูนั่งพัฒไงคะแต่ว่าหนูก็ลองนั่งพัฒน์แล้วมันก็ดีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วสุดท้ายมันก็เฟลเฟลกับเฟลไม่มันใช้ได้ไม่นานอ๋อเหรอคะแล้วต้องเปลี่ยนวิธีธรรมชาติจิตของเราเนี่ยมันไฮเปอร์แอคทีฟใช่ค่ะแล้วไปทำอะไรแป๊บเดียวนะมันจะใช้ไม่ได้ละใช่หนูหนูก็ลังหาวิธีอยู่แต่หนูหาไม่ได้อ่ะแล้ตอนช่วงนี้เราไปแยกกระดูกดูไป แยกกระดูกหนูหเคยเดินแล้วเห็นคือคือแบบให้เห็นเป็นร่างกายกระดูกเดินเนี่ยทําได้คะ่ะใช่แต่แยกเป็นชิ้นไม่ได้นั่นแหละไม่ไ ม, ไม่ดูกระดูกเดินอย่างนั้นแหละเวลานั่งก็กเห็นกระดูกนั่งเวลาคุยก็เห็นกระดูกคุยอะค่ะอย่างใี้ได้ใช่ไหมค ะ, ะมันจะใช้ได้ประมาณสักกี่เดือนคะต้องดูถ้าสติแตกขึ้นเมื่อไหร่ก็ใช้ไม่ได้แล้วก็กลับไปทำหลวงพ่อใหม่นะคะจะ้ค่อยไปทํากรรมฐานอื่นค่ะขอบคุณค่ะคือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะในทางร่างกายเราเนี่ย มันเป็นไฮเปอร์แอคทีฟเนอ้าวต่อไปใครจำเป็นขอคนจำเป็นนะนมาสการหลวงพ่อค่ะเป็นเหมือนเดิมอะค่ะคือรู้เหมือนไม่รู้เหมือนภาวนาไม่ได้เหมือนเดิมเลยเหมือนแบบเหมือนอยากแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าตัวเองอยากจะภาวนาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จิตมันฟุ้งซ่าน่ะไม่มีอะไรเพิ่มสมาธิเหรอคะใช่พอจิตมันฟุ้งแล้วมันดูไม่รู้เรื่อง รกกรครับนมรสการครับพอดีเพิ่งมาครั้งที่สองนะครับพอดีมีคนแนะนําคือปกติจะปฏิบัติเองที่บ้านนะครับแล้วทีนี้เพิ่งมาเจอคําสอนของหลวงปู่ดุล น, นะครับก็เจอแค่สองสาประโยค น, นี่ก็ก็คืออยากค้นหาว่ามันเป็นยังไงคือปกติเนี่ยผมจะฝึกกําหนดฐานจิตเนี่ยอยู่ที่กลางกระหม่อมแล้วทีนี้ผมยังยังก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มานะครับยังไม่ได้มาที่สวนสันติธรรมเนี่ยผมฝึกไปได้สักสามวัน กำลังนั่งทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับออยู่ดีๆเกิดความรู้สึกสว่างว่างที่กลางกระหม่อ ม, อมความรู้สึกดับอารมณ์ดับแล้วก็จิตหดิ่งสู่ผวังเลยครับ อ, อ, อ, อการที่เรากําหนดจิตเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งนะเป็นการทําสมถะนะแล้วถ้าจิตเราชอบในจุดนี้อยู่ตัวนี้แล้วสบายใจจิตก็สงบรวมมาสว่างโลกธาตุดับไปเลยครับนะเพราะอะไรเราไม่ได้กําหนดตัวกระหม่อมแต่เรากําหนดจิตที่อยู่กระหม่อม การที่เรากำหนดลงไปที่จิตเนเราใช้อารูปเป็นอารมณ์นะงั้นเวลาจิตรวมลงไปนะั้นโลกธาตุดาหายไปเลยนะหายไปก็ไม่เป็นไรนะจิตเราเข้าสมาธิออกจากสมาธิแล้วนะก็มาดูจิตทำงานต่อไปอเห็นความเคลื่อนไหวเ ป, เปลี่ยนแปลงอย่าไปกำหนดไปตรงนี้ละไอ้นั้นทาไว้เพื่อสมถะเท่านั้นคือตอนนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามีลมหายใจ ผ่านตรงกลางกระหม่อมตลอดเวลาแล้วผมก็เลยใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นตัวรู้อว่าตอนนี้จิตยังอยู่ตรงนี้นะอพอเห็นรูปหรือเห็นอะไรเนี่ยก็จะเห็นภาพก่อนแล้วความรู้สึกค่อยตามมาทีหลังว่าเรากําลังจะคิดอะไรอือย่างนี้ครับอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่อย่าให้ตึงเกินไปนะแล้วอันนี้พอจะแก้ให้ได้ไหมครับหมายความว่าผมผมฝึกตรงเนี้ยมาพอสมควรแล้วที่มันเหมือน มันเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอ่ อ, อนๆวิ่งตามตัวแล้วผมก็มีความรู้สึกไอ้ผมเป็นโรคเหน็บชาหรือเปล่าแลวมันก็ ไ, ไม่ไปเป็นไปหาหมอก็ไม่ใช่ไ ม, ไม่เป็นหรอกมันมีพลังกำลังภายในเคยได้ยินไหมจุดที่เรากำหนดไว้นะั้นเป็นจั ก, กระที่7นั้นพลังมันเข้าแล้วแทนที่จะปล่อยให้มันวิ่งสเปสสะปะนะไล่ไปตามไขสันหลังนียไล่ไปตามจั ก, กระต่างๆเราจะแข็งแรง แต่ไม่ใช่เดินวิปัสสนานะแต่พอเอ่อพอเหตุการณ์วันที่ผมเอ่อวันวันที่เกิดตรงเนี้ยนะครับอพอไปอันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับพอไปจับอะไรเนี่ยหรือว่าจับวัตถุมงคลหรือว่าจับสิ่งของที่เขาเคยจับหรือมันจะมีเยอะแยะหมดเลยฮะหมายว่าครั บ, รบใช่ก็มีพลังงานแั้วนะ คือเดินปัญญาต่อนะวิธีเดินปัญญาต่อเนี่ยอย่าน้อมจิตไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติแล้วก็ให้จิตเกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมชาติเนะช่นตามองเห็นรูปจิตมีความสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รูนะ้จิตเกิดโลภโกรดหลงก็รู้หูได้ยินเสียงเป็นสุขเป็นทุกข์มีกิเลสมีกุศลก็รู้ใจคิดนึก เกิดสุขเกิดทุกข์มีกุศลอกุศลก็รู้รนะถ้าเราตรึงความรู้สึกเอาไว้อย่างทุกวันเนี้เราจะเดินวิปัสสนาไม่ได้มันจะเดินอยู่ในแนวของสมถะนะมันกําหนดจิตเอาไว้ที่เดี่ยมจะนิ่งไม่ค่อยมีอะไรให้ดูแต่ถ้ามันติดตรงนี้แล้วนะพิจารณากายเข้าไปดูร่างกายเลยเห็นร่างกายทุกส่วนรู้สึกไหมมันไหวยิบยับยิบยับไปหมดนะเนะี่ยดูไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่มีตัวเราดูไปอย่างนั้นนะ แ ก, แก้ที่ติดสมสถะก่อนพอผมกําหนดตัวรู้เนี่ยมันจะผิดหรือเปล่าครับหมายความว่าคือผมจะมีความรู้สึกว่ามีสองดวงจิตก็คือตรงกลางกระหมอมจิตหนึ่งแล้วเวลาเกิดความคิดจะเกิดตร ง, งกลางหน้าอกต ก, <ๆ>กลางหน้าอกนะกิเลสกุศลอะไรเกิดที่อกนั่นแหละกระทั่งเวลาอริยามรรคเกิดกนะ็แหวกออกกลางอกนั่นแหละนะแต่ว่าอย่าจงใจแรงนะรู้เป็นสบายสบา ย, ยาคนที่จะให้ ให้เขาทำงานอิสระตัวนี้แต่เราแค่รู้ปล่อยให้เขาทำงานอิสระแต่เรารู้รนะอย่าไปกำหนดไปตรงนี้ไม่ยอมดูตัวนี้อย่าดูแต่ตัวนี้แล้วจิตถลาลงมาอยู่ที่ตัวนี้ลืมตัวนี้นะถ้าจิตถลาลงไปอยู่ที่ตัวนี้ก็เพ่งตรงนี้มากไปจิตหนีมาอยู่ที่ตัวนี้แรงไปนะจะเห็นตัวนี้ไม่ชัดไม่เกิดตัญยานะ<ต> ถ, ถ้าถลำลงมาตรงนี้สมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลเข้ามาตรงนี้ ครับที่จะลองไปปฏิบัติดูคี่หลวงพ่อก็เคยทำอย่างที่คุณทําครับที่เมื่อกี้อย่างเล่าเลยว่าอยากทําหลวงปู่นะว่าจะดูตรงไหนดีจะดูข้างบนนี้ดีหรือว่าจะดูกลางหน้าอกดีนะสุดท้ายก็พบนะว่าถ้าเราจับเอาตัวนี้ไว้นะก็เป็นสมถะเป็นเข้าอารูปไปเลยนะโลกธาตุดับไปนะถ้ามาจับอยู่ที่ตรงนี้แล้วจิตถลําลงมาไม่เกิดปัญญาจิตจะเข้าไปคลุก เพราเห็นตรงนี้ทํางานไปสบายๆดูห่างๆอย่าเข้าไปอยู่ตรงนี้อยากก่าเกาะไว้ที่ตรงนี้นะมาสการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อคือตอนนี้มันเริ่มเห็นว่าไอ้ที่หลงไปในความคิดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วมันมีชอบที่จะไปคิดเหมือนมันกระโจนเข้าไปะคะ่ะแล้วก็ แต่ว่าก็ยังยังรู้สึกว่าบางทีเห็นว่าเออเหมือนจิตเนี่ยเหมือนเวลามันสั่งร่างกายแล้วก็มันก็มีจิตแยกอยู่อันนึงด้วยแต่ว่าก็ยังเห็นว่ามันก็มีความคิดแทรกอยู่ะคะ่ะไม่ห้ามหรอกนะที่หนูรู้ทันเนี่ยนั่นและดีล ะ, ะสุดท้ายมันจะเห็นเลยนะมีแต่สภาวะทั้งหลายนะทำงานผสมผสานกันไปนะแต่ละคนก<ะ>็มีหน้าที่ของตัวเองแต่ละทั้งหมดนั้นไม่มีเรา เขาพยายามปฏิบัติตามรูปแบบแต่คิดว่าต้องเคลื่อนไหวมากกว่าเพราะว่านั่งสมาธิส่วนใหญ่แล้วจะหลับไปเลยพวกเราที่ทํางานที่ใช้ความคิดมากๆหรือเครียดมากๆนะแล้วกลับบ้านจะไปนั่งสมาธิส่วนใหญ่นั่งหลับถ้าไม่นั่งหลับก็นั่งฟุ้งซ่านมีให้เลือกสองช้อย <laughs> พยายามเคลื่อนไหวพยายามกระดุกกระดิกไปนะเราชีวิตคนในเมืองจะไม่ทํางานอย่างนี้ก็ไม่ได้นะทำแล้วมันก็ฟุ้งง่ายหรือมันหมดแรง อาจจะขยันหน่อยตื่นมาตอนเช้ามาเริ่มภาวนาในรูปแบบอย่างเงี้ยเย็นๆก็พักเร็วขึ้นขอบคุณค่ะอ่าครับนวดมัสการครับมไม่ได้ส่งการบ้านมาสักระยะละอืมแต่ว่าก็เป็นเหมือนกับพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนไปอะครับ มีเหตุผลมากขึ้นในการตัดสินใจเชื่ออะไรมากขึ้นประมาณอะไรนะคือมีเหตุผลในการเชื่อมันคือไม่งมงายมากไปอ๋อดีสิครั บ, oh, <easy. S 2> รบแล้วก็อยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับพุทธภูมิครับเรื่องอะไรนะพุทธภูมิครับ <c oughs> การ <c oughs> การปฏิบัติลักษณะนี้กับพุทธภูมิมัน <c oughs> ไปคล้องลักษณะไหนะครับ นะมันมันปฏิบัติเป็นไปยังไงเราจะไปสุดทางที่ไหนแล้วยังไงพุทธภูมิครับผมพุทธภูมิแล้วสุดทางลงเป็นพระพุทธเจ้าอันหนึ่งนะสุดทางอีนคือลาพุทธภูมิมีที่สุดทางอยู่สองทางเลยหมายถึงการปฏิบัติกับการอธิษฐานกับพุทธภูมิอะครับเหมือนกับผมอธิษฐานพุทธภูมิไว้แล้วปฏิบัติแล้วมันจะไปสุดที่ไหนยังไงปฏิบัติปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันน ะ, จะเจริญสติไปแยกธาตุแยกขันธ์ไปแล้วก็สํารวจตัวเอง ความชั่วอะไรยังไม่ละความดีอะไรยังไม่ทำํำนะเราต้องทํามากกว่าคนอื่นเขาสร้างบา ร, รมีให้เยอะเลยนะบา ร, รมีทั้งหลายเนี่ยทำไปเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวนะถ้าเราเห็นแก่ตัวสันิดหนึ่งเนี่ยเราไปเป็นพุทธเจ้าไม่ไหวมันเลิกซะก่อนไม่มีกําลังใจเรนะต้องกล้าสละตัวเองนะเพื่อธรรมะได้ทําไมอย่างไม่น่าเชื่อนะเราลุกว่าปัญญาเป็นของสําคัญใช่ไหม พระพุทธเจ้าบารมีมาเต็มนะตอนเป็นพระเวสสันดรนะมาเต็มด้วยทานทําไมมาเต็มตรงทานกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะกล้าสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมะนะคือจะไม่หวงเซลล์อีกต่อไปแล้วเพราะงั้นธรรมะแต่ละตัวแต่ละตัวถ้าไปดูให้ดีนะบารมีแต่ละตัวเนี่ยทำไปนะเพื่อลดความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลยนะต้องไม่รักตัวเองใจมีความกรุณาอยากช่วยคนอื่นโดยไม่กลัวลําบาก อย่างนี้ถึงจะไปรอดนะถ้าใจเราอยากได้เป็นพุทธเจ้าอยกหวังพุทธภูมิเพราะว่าหนึ่งพระพุทธเจ้ามีความรู้มากเราอยากมีความรู้มากพวกนี้ไปไม่รอดอนะ่ะอันที่สองพระพุทธเจ้านะคงจะมีความสุขมากอเงีนะ้ยมีบา ร, รมีมากมีบริวารมากนะเนี่ยอะไรต่ออะไรนะ้หวังอย่างนี้นะไปไม่รอดอนะ่ะจะหวังพุทธภูมิแล้วไปรอดเนี่ยด้วยมหากรุณานะใจต้องมีกรุณาจริงๆ กรุณาแบบว่ากลา้ากล้าช่วยคนอื่นนะกล้าสละชีวิตตนเองเพื่อธรรมะเพื่อช่วยคนอื่นต้องกล้าถึงขนาดนั้นกล้ายกเมียให้คนอื่นไหมถ้าแก่แล้วเก่าแล้วอยากยกอออย่างนงี้ไม่ใช่พระเวสสันดรหรอกเนะอยากยกลูกให้คนอื่นไหมดียกไปเลยขี้เกียจเลี้ยงอันนี้ไม่ใช่นะ คนทุกวันเนี่ยอ้างตัวแบบพระเวศนดอนมีลูกแล้วทิ้งถังขยะทิ้งไว้โรงบาลนะไม่ใช่นะคนละแบบหมายถึงว่ากล้าสละสิ่งซึ่สำคัญของตัวเองนะเพื่อคนอื่นได้ใจเท้าหารเคยมีตำรวจคนหนึ่งนะอยู่ตรงสี่แยกปินกล้าวอะ่ะตอนนั้นเพิ่งตัดถน น, นใหม่ๆรถตู้ของนักเรียนอนุบาลมันไปชนอะไรเขาไม่รู้ไฟไหม ตำรวจเจราจารนีนะ้มันลุยเข้าไปในไฟนะไปลากเด็กออกมาตัวเองนะั้นถูกไฟลวกอย่างไรงขก็ลุยเข้าไปเอาเด็กออกมาได้เยอะเลยแล้วก็มันก็เห็นว่าในรถนี่เงียบไม่มีเสียงเด็กแล้วก็วคิดว่าหมดแล้วนะต่มาพอไฟดับเนี่ยเจอว่ามีเด็กตายอยู่ข้างในอีกตำรวจนี่รู้สึกเสียใจนะว่าถ้ารู้ว่ายังมีเด็กอีกจะลุยเข้าไปอีกเนี่ยถ้าใจขนาดนี้นะกล้าลงนรกอะ่ะ อย่างนี้ใจถึงจะไปพุทธภูมิไห่นะถ้าเด็กอยู่ตรงนี้ร้อนะร้อนอย่างเงี้ยไปไม่ไหวอะไม่กล้าลงนะร็อกตรงลงแค่หวังพุทธภูมิไหมถ้าเอาก็ดีนะไม่ว่าหรอกก็ปกติเคยอ่านอ่านหนังสือของพระรูปหนึ่งครับแกพูดบอกว่าเพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะ หวังนิพพานเป็นปที่หนึ่งแล้วก็จะไปนิพพานคนเดียวไม่ได้ต้องอชักชวนผู้อื่นไปได้วยคืนนั่นแหละอยากช่วยคนอื่นเลยเลยตั้งเป้าหมายนี้ไว้สําคัญแต่ว่าจะลาหรือไม่ลานี่คือไม่สําคัญเลิ ก, เลกคิดไปละเอะไม่ต้องไปสนใจหรอกถึงเวลามันตัดสินใจเองภาวนาให้มากเลยนะศีล ส, สมาธิปัญญาทานศีลภาวนาทําให้มากให้ครบแล้วก็การภาวนาเนี่ยไม่ใช่ทําแต่ความสงบต้องเจริญปัญญาให้มาก บางคนนะคิดผิดอย่างแรงเลยบอกว่าวางพุทธภูมิไม่กล้าจเจริญมิปัสสนากลัวจะหลุดพ้นไม่หลุดหรอกตั้งใจทําให้เต็มที่ยังไม่ค่อยจะหลุดเลย <c oughs> นะแต่ทําเต็มที่ไปนะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยใจเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงเรียกว่าได้สังขารู้เบกขายานใจเนี่เข้าถึงความเป็นกลางต่อสุขต่อทุกต่อดีต่อชั่วงั้นนรกกับสวรรค์นเนี่ยเท่าเทียมกันละนะ อะไรต่ออะไรเท่าเทียมกันหมดเลยใจนี่ไม่ได้มีความต่างนะห้าวหารถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยถ้าพบพระพุทธเจ้านะแล้วทูนตั้งใจไว้ทําความดีถวายแล้วก็ตั้งใจขอบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอะไรเงี้ยถ้าได้สังขารู้เบกขายานด้วยนะวันนั้นบารมีพร้อมที่จะบรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นแล้วด้วยท่านจะพยากรณ์ให้ก็ได้นะ ถ้าบารมีก็ไม่มีนะเหยาะเหยาะใหญ่ใจะภาวนาก็กลัวหลุดพ้นไปเจอพู้เจ้านะท่านอ๋อไอ้นี่อย่าว่าแต่ตอนนี้จะบรรลุพระอรหันต์เลยนะอีกร้อยชาติมันก็ไม่บรรลุไม่พยากรณ์หรอกนะต้องขนาดว่าวันนั้นน่ะจะบรรลุแล้วยังไม่เอาเลยอ่นะต้องใจถึงขนาดนั้นแล้วเพระพยาะโพดิสัตย์นีงสามารถบรรลุทําเป็นขั้นๆต่อไปลักษณะนี้ได้ใช่ไหมถือว่าเป็นเหมือนกับรีย<พ>นรู้โสดาบันพรุงนี้พรุงนี้ไม่บรรลุหรับ เรื่อยๆไปเรื่อยๆหรอไม่บรรลุหรอกนะคือถ้าเป็นโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์แล้วนะไม่บรรลุหรอกแต่ว่าถ้ายังไม่ได้รับพยากรณนะ่ะบรรลุได้นะพอบรรลุเต็มที่บรรลุโสดา ก, ก็ไม่เอาพุทธภูมิแล้วนะไปไม่ได้แล้วเพราะตกเข้ามาอยู่ในสาวกภูมิละแต่บอกให้อย่างว่าอยากกลัวบรรลุเลยคือเราจะเป็นไปเป็นครูคนอื่น ต้องเรียนให้เหนือคนอื่นเพราะฉนั้นวิปัสสนากรรมฐานอะไรนี้ต้องช่ำชองมากเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรที่แตกต่างกับคนอื่นนะตรัสรู้วิปัสสนานี่เองสอนวิปัสสนาซึ่งไม่มีใครสอนสมถะคนอื่นเขาก็สอนได้เพราะั้นท่านต้องแตกแตฉานจริงๆนะต้องสะสมมาจริงๆนะแล้วก็ใจเนี้มีมหากรุณาผลักดันอยู่ไม่บรรลุคนเดียวอยากช่วยสรรพสัตว์ไปด้วยนะอย่างนั้นถึงจะไปไหวนะ ถ้าภาวนาไม่เป็นอย่าหวังเลยว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกปลายแถวยังเป็นไม่ได้เลยนะจะเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ไงเป็นลูกสิทธิ์ท้ายห้องยังเป็นไม่ได้เลยนะนั้นต้องขยันภาวนานะแล้วถึงจุดหนึ่งจิตมันเลือกเอง นวัฒการหลวงพ่อครับก็ตอนแรกปกติก็สวดมนต์อยู่ที่บ้านเป็นประจํำครับแต่ว่าเมื่อประมาณเดือนกว่าๆสเดือนที่แล้วหลวงพ่อไปเทศที่คณะนิติจุฬาครับแล้วก็ได้ฟังหลวงพ่อก็ประทับใจว่าช่วงนั้นมีปัญหาเออที่ทํางานอยู่ครับแล้วก็เกิดประทับใจแล้วก็ทําปฏิบัติมาตลอดตั้งเดือน2เดือนนี้ครับก็นั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันกับคุณแม่ครับก็เลยมาส่งกันบ้านครั้งแรกหลวงพ่ออครับว่าเออเป็นยังไงครับอาจารย์เห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสครับเห็นกิเลสเยอะไหม เยอะครับเห็นใจหนีไปคิดไหมเห็นครับโอ้ดีฝึกให้มากครับแล้วก็มีช่วงอาทิตย์ที่แล้วครับจะรู้สึกเบื่อเบื่อโลกอะฮะเหมือนกับว่าพอฟังหลวงพ่อทางเ อ, อ, เ อ, อเ่อซีดีเยอะๆจะรู้สึกว่าเ อ, อ่อทุกอย่างมันเหมือนสมมุติขึ้นมาหมดนะครับมันเป็นขันหมดเลยอันนี้ก็เป็นสัญญาเหมือนเราจะเรียนไปทําไมในเมื่อสุดท้ายมันก็เป็นสัญญาหมดเลยอะ <ừ. S 1> ไรเงี้ยครับเราจะแบบสําเร็จ ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรียนจบอีกขั้นหนึ่งทาําไมสุดท้ายมันก็กลับมาทุกเหมือนเดิ ม, มก็รู้สึกเบื่อโลกค่ะเหมือนแบบไม่อยากจะเดินต่อในโลกอยากจะไปบวชไปเลยอะไรอย่างเงีย้ง<ๆ>อยอย่าเพิ่งนะเบื<ๆ>่อตัวนี้เป็นเบ<ๆ>ื่อชั่วครั้งชั่วคราวอเป็นเบื่อแบบโทสะไม่ใช่นิพพาจริงหรอกอย่าเพิ่งบวชนะครัแล้วตอนบวชก็อยากสึกอีกแล้วหลวงพ่อแนะนําว่าทําต่อไปเรื่อยๆดีๆแล้วใช่ไหมครับดีๆนะแล้วก็สังเกตจิตด้วยจิตตอนนี้ถึงฐานหรือยัง ดูออกไหมจิตที่ถึงฐานดังไม่ค่อยออกครับดูตัวนี้วิธีดูเรียนรู้จิตที่ถึงฐานเนี่ยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดบ่อยๆนะตรงที่จิตมันหลงไปคิดสังเกตไหมมันเคลื่อนไปนะตรงที่รู้ว่ามันเคลื่อนนะมันจะเลิกเคลื่อนตรงที่มันเลิกเคลื่อนเนี่ยมันพอดีแต่ตรงที่พอดีเนี่ยอย่าทําขึ้นมาะจะไม่ใช่ของจริงเพราะฉั้นให้รู้ทันตอนที่จิตไหลไปบ่อยๆนะแล้วใจมันจะตั้งขึ้นมาเอง จิตนี้ไปคิดแล้วรู้จิตนี้ไปคิดแล้วรู้ฝึกงนี้เรื่อยๆนะครับนามาสการครับแล้วก็ถ้ามันเบื่อขึ้นมาให้รู้ทันอย่าให้ความเบื่อเนี่ยครอบงําจิตความเบื่ออย่างนี้ยังครอบงําจิตได้อยู่เป็นโทสะนะไม่ใช่เบื่อด้วยปัญญาปัญญารําหน้าไปนามาสการครับอย่าเพิ่งออกจากงานนะ <c oughs> บางคนนะ่าภาวนาไปแป๊บๆนะไม่เอาแล้วจะไปบวชล้อะไรอย่างเงี้ย บวดไม่กี่วันแป๊บๆนะไม่เอาแล้วจะสึกแล้ว <c oughs> <c oughs> อามวดแล้วเชิญกลับบ้าน